สี่สิบพระจาลาเถรีภิกษุณีผู้เป็นน้องสาวของพระสารีบุตรชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลพราหมณ์เป็นธิดาของนางพรามณีชื่อรูปสาลีในหมู่บ้านนาละกะแคว้นมคตได้ชื่อว่าจารานางมีน้องสาวสองคนคือนางอุปจาราและนางสีบสู ป, ปจารา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 ประสงค์จะตัดพระเถรีเสจากการอยู่ประพตชพระมจรจันมานผู้มีบาปถามว่าแม่นางศีสะโลนทำตัวเหมือนเป็นสมณะแม่นางบวชเจาะจงใครหนอแม่นางไม่ชอบใจลัทธิเดียรถีทำไมแม่นางจึงยังงมงายประพตชลัทธินี้เล่าพระจาราเถรีตอบว่าผู้ถือลัทธิเดียรถีภายนอกจากพระาศาสนานี้ ยึดมั่นทิฏฐิทั้งหลายเดรัถีเหล่านั้นไม่รู้แจ้งธรรมไม่ฉลาดในธรรมส่วนพระพุทธเจ้าผู้เลิศอุบัติในตระกูลสากยะไม่มีผู้ใดเปรียบปานพระองค์ทรงสแสดงธรรมอันทําให้ก้าวล่วงเซซึ่งทิฏฐิทั้งหลายอุบายนั้นคือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคอันประกอบด้วยแปด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 ตัวท่านข้าพเจ้าก็กําจัดได้แล้วอีกครั้งหนึ่งมารถามว่าเหตุไรหนอท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมบริโภคกรรมใครหนอให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยพิกษุนีท่านจงชอบใจในความเกิดเถิดพระจาราพิกษุนีตอบว่าผู้เกิดมาแล้วก็ต้องตายผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมพบเห็นทุก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 พระคาถานี้มีอธิบายว่ามานเห็นว่าในโลกนี้มีเจ้าลัทธิอยู่มากมายท่านไม่ชอบในลัทธิของเดียร์ีแต่ทำไมยังมางมงายด้วยการโกนหัวทำตัวเหมือนสมณะจริงๆแล้วลัทธิเดียรถีนั่นแหละเป็นทางตรงไปสู่นิพพานท่านเสียเวลาแล้วพระเถรีจึงแสดงว่าลัทธิเดียรถีไม่ได้นาออกจากทุกจริง เราบวชอุทิตพระพุทธเจ้ามีแสดงอุบายก้าวล่วงทุกข์ได้จริงส่วนพระอุปจาราเถรีและพระสีสูปจาราเถรีก็ได้บรรลุพระอรหัสตเป็นพระอรหันต์เช่นเดียวกัน